ปจณิกับบุคคลจะขุนสี่มูลกไน308อนุโลมปุจฉาจกขุนสี่ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดโสตินสี่ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตินสีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจกขุนสี่ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่อนุโลมปุจฉา จากขุนทรีเขงบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดคานินร right? ีเขงบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาคาณินรีเขงบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจากขุณสีเขงบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลเราใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานคาณินรีเขงบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จากขุณรีไม่ใช่จากไม่เกิดปัจฉิม ภวิกาบุคคลและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในอรู ป, ปภูมิแล้วปรินิพ า, านการิุทสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจากคุณสีก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาจากคุณสีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดอิดทธินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนะใช่ปฏิโดมปุจฉาอิทธินสีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิด จากขุนศีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปปาวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเราใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานอิทธินศีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจากขุนศีก็ไม่ใช่จะเกิด ปชิมพวิกาบุคคลและบุคคลเหาใดจากอุบัติในอนรูปประภูมิแล้วปรินิพานอิถินรีเขาบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจากขุณสีก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุชชาจากคุณสีเขาบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดปุริสินีเขาบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโรมปุชชาปุริสินีเขาบุคคลใดไม่ใช่จะเกิด จากขุนศีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิศัชนะบุคคลเราใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานปริสินศีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่จากไม่เกิดปัจฉิมพวิกรบุคคลและบุคคลเราใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพาน บุรีจินทร์ีเขาบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจากขุนสีก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนสีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินทร์สีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลเราใดจักอุบัติในอรูประภูมิแล้วปรินิพานจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จะไม่เกิดปัจฉิมภวิกบุคคล จากขุนศีเขาบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและวิชีวิตินทรียีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิรมปุจฉาชีวิตินทร์ศีเขาบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจากขุนศีเขงบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุรมปุจฉาจากขุนศีเขาบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดโสมนัณสินทร์ศีเขาบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิรมปุจฉา โสมสัสสินรีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจากขุนตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลเราใดมีจากขู่เกิดได้และมีจิตเป็นอุเบขาจากอุบัติแล้วปรินิพานโสมสตินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จากขุนตีไม่ใช่จากไม่เกิดปัดชิมพวิกรบุคคลและบุคคลเราใดจากอุบัติในอรูปประภูมิแล้วปรินิพาน สมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จักขุนสีก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนสีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลเราใดจักอุบัติในรูปประภูมิแล้วปรินิพานจักขุนสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภวิกาบุคคล จากขุนศีคำบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและอุเปกิณศีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชาอุเปกิณสีคำบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจากขุนศีคำบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลล่ใดมีจากขู่เกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานอุเปกิณศีคำบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่จะไม่เกิด ปจิมภวิการบุคคลอุเปกินสีเขาบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจากขุนศีก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุชชาจากขุนสีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสัตินรีและปัญินรีและมณินทรีเของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปประภูมิแล้วปรินิพานจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มณินทรียไม่ใช่จะไม่เกิด ปัจฉิมภวิกาบุคคลจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและมณีศีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชามินณีศีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่จากขุนตริีมูลกันนายจบคาณินตรีมูลกันนาย309อนุโลมปุชชา คานินรียของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดอิทธ like ินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาอิทินรีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดคาณินทรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานอิทินทรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิด แต่คาณินรีไม่ใช่จากไม่เกิดปัจฉิมพวิกรบุคคลและบุคคลเราใดจากอุบัติในรู ป, ปาวจรภูมิอ ร, รูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานอิทินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและคาณินรีก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาคาณินรีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดปุริสินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะใช่ ปฏิโลมปุชชาปุริสินสีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดคานินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลเใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คานินสีไม่ใช่จะไม่เกิดปัจชิมพวิกบุคคลและบุคคลเใดจากอุบัติในรูปปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแล้วปริ น, นิพานปุริสินทรีเของบุคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดคาณินตียก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุชชาคาณินทรีเขาผู้คลใดไม่ใช่จะเกิด <handic> ชีวิตินทรีย์ขาผู้คลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัดชนาบุคคลเราใดจะกุบัติในรูปาวจรภูม <leave. sketch manship> ิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานคาณินรีเขาผู้คลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิด แต่ชีวิตินทรีสีไม่ใช่จะไม่เกิดปัิบิมพวิกบุคคลคานินทรีสีขขงบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและชีวิตินทรีสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรสีขขงบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดคานินทร์สีเขาบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานินทรสีเขงบุคคลใด ไม่ใช่จะเกิดโสมณสินรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปปาจรภูมิแล้วปรินิพานคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่โสมนณตินรียไม่ใช่จะไม่เกิดปัดฉิมภวิกาบุคคลและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปปภูมิแล้วปรินิพานคานินรีย์ของบุคกกบคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและโสมนณสินรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิด ปฏิยมปุชชาโมสมานติสินรียของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดคานินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลเหล่าใดมีคานะเกิดได้มีอุเบขาจากอุบัติแล้วปรินิพานโมสมานติสินรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คาณินรียไม่ใช่จะไม่เกิดปัจฉิมภวิกาบุคคลและบุคคลเหล่าใดจากอุบัตแนวรูปประภูมิแล้วปรินิพาน สมณะสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและคาสินทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุชชาคานินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจารนาบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อุเปกินทรีย์ไม่ใช่จะไม่เกิด ปัดชิมพวิกะบุคคลและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมนัตจากอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและอุเปกินรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชาอุเปกินรีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลเหล่าใดมีคานาเกิดได้ได้มีจิตเป็นโสมนัตจากอุบัติแล้วปรินิพาน อุเปกินส the ีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช ay ่จะเกิดแต่คาณินทรียไม่ใช่จะไม่เกิดปัดฉิมภวิกรบุคคลและบุคคลล่ใดมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและคาณินทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุชชาคาณินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสัตินรียละปัญญินรียละมณินทรีย์ ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจารณาบุคคลเราได้จักอุบัติในรูปารุจภูมิและอรูปารุจภูมิแล้วปรินิพานคานินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มนินสีไม่ใช่จะไม่เกิดปัะชิมภวิกบุคคลคานินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและมนินสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชฌา มานินทรีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดคานินทรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่คาณินทรียะมูลกานัยจบอิถินตรียะมูลกนัอิสยสิบอนุรมปุชฌาอิถินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดปริสินทรียของบุคคลนั้น WAN ก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนา บุนคคลเหาใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานอิตินรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่จะไม่เกิดปัจจิมเพวิกาบุคคลและบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปาวจรภูมิอรูปาวาจรภูมิแล้วปรินิพานอิตินทรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและปุริสินสีก็ไม่ใช่จะเกิด ปฏิโลมปุชชาปริตินตีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดอิตินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะบุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานปริตินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อิตินตีไม่ใช่จะไม่เกิดปัดฉิมภวิกาบุคคลและบุคคลเราใดจักอุบัติในรูปปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานปริตินสียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและอิตินรียก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุชชาอิตินรียของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดอิตินรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหม วิจัชนาบุคคลเหาใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเหใดมีปุริาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานอิทินิสีของบุคคลนั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ชีวิตินรียไม่ใช่จะไม่เกิดปัจชิมภรวิกรบุคคลอิทินทรีย์ของบุคคลนั้นไม่ใช่จะเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิด อโลมปุชชาชีวิตินทรีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดอิทธิกกนทะรียของบุคกกบคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาอิทธินทรีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดโสมสินทรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปริณิพ า, านและบุคคลเหล่าใดมีปุริธาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบ โดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัตจากอุบัติแล้วปรินิพานอิทธินิสัยของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่โสมณัตินิสัยไม่ใช่จะไม่เกิดปัดชิมพวิกรบุคคลและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปประภูมิแล้วจากปรินิพานบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิบางพบในภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบขาจากอุบัติแล้วปรินิพาน อิตินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและโสมนัสตินรีนนยก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิรมปุชชาโสมนัสตินรีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดอิตินรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลเหล่าใดมีอิทติเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพาน โสมนัสถิญซีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อิถิญรียไม่ใช่จะไม่เกิดปัจฉิมภวิกาบุคคลบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในอรู ป, ประภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานโสมนัสถิญซีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและอิถิญรียก็ไม่ จะไม่เกิดอนุโลมปุจฉาอิจิสีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกิสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาะบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปปาวจรภูมิอรูปราวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบในภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบขาจากอุบัติแล้วปรินิพาน อิตินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่จกไม่เกิดปัจฉิมภวิกาบุคคลและบุคคลใดมีปุริชาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานอิถินรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดได้อุเปกินสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิรลมปุชชาอุเปกินสีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิด อิทธินิสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัตจักุบัติแล้วปรินิพานอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อิทินิสีไม่ใช่จะไม่เกิดปัจฉิมภวิกรบุคคลและบุคคลเหล่าใดมีปุริชาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละ มีจิตเป็นโสมนัตจักุบัตแล้วปรินิพานอุเปกิณสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและอิจินสีนชชก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุชชาอิจินสีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจัดินสีละปัญญินสีละมนินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักุบัตในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพาน บุคคลเหลาใดมีปุริษาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิ พ, พานอิตินรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จะไม่เกิดปัดฉิมภรวิกาบุคคลอิตินทรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและมนินทรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชามนินทรียของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดอิตินทรีย์ของบุคลคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนา ใช่อิตินตรียมุรกไนจบปุริสินตรียมุรกไนสย311อนุโลมปุชชาปุริสินรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลเราใดจะกอุบัติในรูปปาวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบ โดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานปุริสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ชีวิตินทรียไม่ใช่จะไม่เกิดปัดชิมภวิกะบุคคลปุริสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุโลมปุชชา ปุริสินตีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดโสมนัสสินรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลเราใดจักอุบัติในรู ป, ปาวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัสจักอุบัติแล้วปรินิพานปุรีสินตีของบุคคลเรานั้นไม่ใช่จะเกิดแต่โสมนัสสินรียไม่ใช่จะไม่เกิด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 บุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปปฐุมแล้วปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจักอุบัติแล้วปรินิพานโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและปุริสินสีก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินสีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหม วิจัชนาะบุคคลเราได้จักอุบัติในรูปปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาะวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจักอุบัติแล้วปรินิพานปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่จะไม่เกิดปัจฉิมภวิกบุคคลและบุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบ โดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัสจักอุบัติแล้วปรินิพานปุริสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและอุเปกินรีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุชชาอุเปกินรีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดปุริสินรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนติในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละ มีจิตเป็นโสมนัตจากอุบัติแล้วปรินิพานอุเปกิณรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ปุริสินรียไม่ใช่จะไม่เกิดปัดฉิมภวิกะบุคคลและบุคคลเหล่าใดมีถีเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัตจากอุบัติแล้วปรินิพานอุเปกิณรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและปุริสินรียก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุชฌา ปุริสินตีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสัดทินตีและปัญญินตีและมานินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลเราใดจักอุบัติในรูปราวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิด แต่มนินทรีไม่ใช่จะไม่เกิดปัดชิมพวิกาบุคคลปุริสินทรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและมนินทรีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจ ช, ชามนินทรีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดบุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปุริสินตรียมูลกานายัยจบชีวิตินตรียมูลกานายัย312อนุโลมปุจชา ชีวิตินทรีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดโสมณตินทรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมณตินทรีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินทรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาปัจฉิมจิตที่สัมประยุทธ์ด้วยเบขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตได้ในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้น โสมนัสต so ินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ชีวิตินรียไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตโสมนัสตินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและชีวิตินรียก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดอุเบกินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโรมปุจฉา อุเปกินตีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินตียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจารนาปัจฉิมจิตที่สัมปยุตติโสมณัตจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ชีวิตินตียไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและชีวิตินรียก็ไม่ใช่จะเกิด อนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจตินทรีและปัญญทรียและมนินทรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินทรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ชีวิตินทรียมูลกนัยจบโสมณสินทรียมูลกนัย หนึ 1> 1, 3งสอนุรมปุจฉาโสมณสินตีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัชิมจิตที่สามประยุทธ์ด้วยเบขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นโสมณสินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อุเปกินตีไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยปัชิมจิต โสมณสินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและอุเปกินรีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุจฉาอุเปกินสีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดโสมณสินรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัดชนาะปั ช, ชิมมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมณตจะเกิดในลำดับแห่งจิตใ ด, ดในมงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิด แต่โสมณสินรีไม่ใช่จกไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตปุเปกินีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและโสมณตินตียก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาโสมนณสินรีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสติินีและปัญญีนียและมนินีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะ ปัจฉิมจิตที่สรรพยุติเบขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในบึงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นโสมนณตินทรียของบุคคเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มนินรีไม่ใช่จกไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเปลียงด้วยปัจฉิมจิตโสมนณตินทรียของบุคคเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและมนินทรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุจชามนินทรียของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดโสมนัณสินรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหม วิจัชนาะใช่โสมนณตสสินตรียะมูลกนัยจบอุเปกินทริยะมูลกนัย314อนุโลมปุจฉาอุเปกินสของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสัตินรีละปัญญินรียละมนินทรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัจฉิมจิตที่สัมปยุติโสมณตจะเกิดในลำน ด, ดับแห่งจิตใด ในวงเล็บในลำดับแห่งจิตน er. ั้นอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและมนินทรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุชฌามนินรีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาใช่อุเปกินตริยมูลกนัย จบสัตทินตรียมูลกนัยสามอยสิบอนุโลมปุจฉาสัตทินรีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดปัญญินรียและมนินทรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรียของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสัตทินรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่สัตทินตรียมูลกนัย จบปัญญตริยมูลกไนสามอยสิบอนุโลมปุตชาปัญญินต ร, นนรญญตีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดมณินตรีของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุญญตชามณินตรีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดปัญญินตรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปัญญตริยะมูลกไนจบ ปัจจณีก็โอกาสจะขุนทรีมูลกนัยสามร้อยสิบเจอนุโลมปุชชาจากขุนสีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดโสตินรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาะใช่ปฏิโดมปุชชาโสตินรีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจะขุนสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่อนุโลมปุชชา จากขุนศีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคาณินตีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชฌาคาณินตีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจากขุนศีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปปาจรภูมิในภูมินั้นคาณินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่จะไม่เกิดในอัญจะตตภูมิและอรูปภูมิ ในูมินั้นคาณินสีไม่ใช่จะเกิดและจักขุนสีก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุชฌาจักขุนสีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอิทธินรีและปุริสินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชฌาปุริสินสีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจักขุนสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนา ในรูปปลาจรภูมิในภูมินั้นปุริตินตีไม่ใช่จะเกิดแต่จะขุนตีไม่ใช่จะไม่เกิดในสัญญาตตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นปุริตินตีไม่ใช่จะเกิดและจะขุนตีก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาจะขุนตีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินตีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาจะเกิดปฏิโลมปุจฉา ชีวิตินทรีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจากขุนตรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัดชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาจากขุนตรีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดโสมนณตินทรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาโสมนณตินทรีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจากขุนตรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ อนุโลมปุจฉาจะขุนศีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกิุนศีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัดชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นจะขุนศีไม่ใช่จะเกิดแต่อุเปกขุนศีไม่ใช่จะไม่เกิดในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นจะขุนศีไม่ใช่จะเกิดและอุเปกขุนศีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉา อุเปกิณสีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจะขุนสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุรมปุชชาจะขุนตรีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจะทินรีละปัญญินรีละมนินรียในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในรูปประภูมิในภูมินั้นจะขุนตรีไม่ใช่จะเกิดแต่มณินตรีไม่ใช่จะไม่เกิดในยสัญญาสัตตภูมิ ในภูมินั้นจะขุนศีไม่ใช่จะเกิดได้มนินรีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิรมปุชฌามนินรีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจะขุนศีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่จะขุนตริยมูลกนยัยจบคานินตรียมูลกนยัย318อนุลมปุชฌา การินตีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอิตินรีและปุริสินตีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิรมปุชฌาปุริสินตีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดการินตีในปุินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุรมปุชฌาการินตีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจีวิตินตีในปุินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาจะเกิด ปฏิโรมปุจฉั่ชีวิตินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคาณินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัดชนาไม่มีอนุโลมปุจฉั่คาณินทรียในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดโสมนณสินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัดชนาในรูปปาจรภูมิในภูมินั้นคาณินทรียไม่ใช่จะเกิดแต่โสมนณตินทรียไม่ใช่จะไม่เกิด ในส <PTSD> รรยจัตตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นคาณินทรียไม่ใช่จะเกิดและโสมนัสสินรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชาโสมนัสสินรีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคานินตีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุชชาคาณินรียในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนา ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นคานินรีไม่ใช่จะเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่จกไม่เกิดในอัจารย์ยัจตภูมิในภูมินั้นคานินรีไม่ใช่จะเกิดและอุเปกินสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุจฉาอุเปกินสีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคาณินรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ อนุโลมปุจฉากานินทรียในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสัตตินทรีละปัญญทรีละมนินทรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัดชนาในอรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นกานินทรียไม่ใช่จะเกิดแต่มนินทรีไม่ใช่จะไม่เกิดในอจัญจะสตภูมิในภูมินั้นการินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดและมนินทรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุจฉา มณิณตีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคานิณตียในภปมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่คานินตรียมูลกนัยจบอิทธินตรียะมูลกนัย3า9อนุโลมปุชฌาอิทินตีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปุริทินรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชฌา ปุริสินสีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอิตินสีในภุมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ละอิตินตรียมุรกไนจบปุริสินตรียมุรกไนสย320อนุโลมปุชขาปุริสินสีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินรีในภุ่มนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาจะเกิดปฏิโลมปุชขา ชีวิตินทร์สีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปุริตินทร์สีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมพิจัชนาะไม่มีอนุโลมปุจฉาปุริตินทร์สีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดโทมนณตินทรียีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาในรูปปาจรภูมิในภูมินั้นปุริตินทร์สีไม่ใช่จะเกิดแต่โทมนณตินทรียีไม่ใช่จะไม่เกิดในอจัญญะตตภูมิและอรูปปุ่ม ในปุ მ นั้นปุริสินรีไม่ใช่จะเกิดและโสมนัสสินรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชาโสมนัสสินสีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปุริสินรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชชาปุริสินรีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ ในภูมินั้นปุริสินรียไม่ใช่จะเกิดแตุ่เปกินรีไม่ใช่จะ ไ, ไม่เกิดในัาจารย์จตุภูมิในภูมินั้นปุริสินสียไม่ใช่จะเกิดและอุเป ก, กินรีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชาอุเป ก, กินรีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปุรปิสินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชชาใช่อนุโลมปุชชาปุริสินรีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิด ตทินสีละปัญญินสีและมนินทรียในภูมินัน้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในรูปารวจรภูมิและอรูปารวจรภูมิในภูมินั้นปุริสินสีไม่ใช่จะเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จะไม่เกิดในอญญาจาญย์ยศต ภ, ภูมิในภูมินั้นปุริสินสีไม่ใช่จะเกิดและมนินทรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิรมปุจฉา มณีสินทรี์ในปมิใดไม่ใช่จะเกิดปุริสินทรีในปุินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปุริสินตริยมูลกนัยจบชีวิตินทริยมูลกนัย321อยนุโลมปุจฉาชีวิตินทรียในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดโสมนัสสินทรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัดชนาไม่มีปฏิโดมปุจฉา สมนัตินรีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินทร์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจาชนาจะเกิดอนุโลมปุจฉาชีวิตินทร์ในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินทร์สีละสัตตินทร์สีละปัญญทร์สีละมนินทรี์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมพิจาชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉา มนิณีตีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินตีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัดชนะจาจะเกิดชีวิตินตรียมูลกนัยจบโสมนัสสินตรียมูลกนัยสาอยยี่อนุโลมปุจฉาโสมนัสสินรียในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินตีละสัตตินตีละปัญญินตีละมณีรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหม วิจัดชนาะใช่ปฏิโรมปุชชามนินทรีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดโสมนัสสินทรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่โสมนัสสินตรียะมูลกนัยจบอุเปกินตรียะมูลกนาอิร้อยย3่สอนุโลมปุชชาอุเปกินสรีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสัตตินทรีละปั ญ, ญินทรีละมนินทรีย ในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุตชามนินตีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัดชนาใช่อุเปกินตริยมูลกนาจ บ, ส, า ส, บสัตตินตริยมูลกนาย324อนุโลมปุตชาสัตตินตีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปั ญ, ญินรีและมนินทรีย ในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจารณาใช่ปฏิโลมปุจชามนินตี ใ, ในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสตินตีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่สตินตรียม <c oughs> ูลกนัยจบปัญญตรียมูลกนัย3ามอยยีอนุรวมปุจชาญญินตีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิด มณีสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโรมปุชชามณีสีในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปัญญินรียในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัญญทริยมูลกนยัยจบ